ก็เติบโตขึ้นมาหลายคนก็ทํางานอย่างไม่มีความสุขโดยคิดว่าได้ผลตอบแทนไม่คุ้มหรือเหนื่อยยากหรือมีความเครียดเกิดขึ้นพระ อ, อาจารย์ว่าเราชาวพุทธควรจะวางใจในการทาํางานยังไงครับคือเกี่ยวในเรื่องของการเกิดมาแล้วทํางานแล้วมันต้องได้ความทุกข์เพราะเราไปพิจารณาถึงว่า การที่เราจะมีความสุขได้นั้นคือการมีทรัพย์บ้างการที่จะมีความสุขได้ก็คือมีบ้านสวยๆมีรถงามๆ ม, มีอะไรเยอะแยะเบีดเสด็จเราไปเอาความสุขของเราไปตั้งอยู่บนทรัพย์บนเงินทองบนข้าวของอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วอย่างหนึ่งชาวพุทธเนี่ยชอบเอาความสุขไปไว้ในอนาคตพ อ, อความสุขไปไว้ในอนาคตก็วิ่งหาความสุขกันไม่เจอบางค น, นวิ่งหาความสุขตั้งแต่เกิด จนจำความได้จนอายุ ป, ป่าก็ไป 40-50 ถึง60บางคน80แล้วยังไม่ได้ความสุขที่แท้จริงสักทีเลยก็วิ่งจับความสุขของตนเองทีนี้ประเด็นก็อยู่ว่ากรณีแห่งการที่เราจะวิ่งหาความสุขเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าในกรณีแห่งการทำงานในการทำงานนถ้าหากว่าเป็นชาวพูดเนี่ยนะ เป็นชาวพุทธเนี่ยก็จะต้องเข้าใจด้วยว่าในการตั้งหลักในการที่จะเราจะไปทำงานเนี่ยก็ต้องตั้งหลักให้ถูกว่าที่ทำงานเนี่ยเพื่ออะไรถ้าเราบอกว่าเอาความสุขไปไว้กับการได้เงินเดือนเราก็กลัวจะไม่ดได้มีความสุขแต่ละทีก็บางทีเดือนหนึ่งถึงจะได้ความสุขแต่ถ้าเอาความสุขไปไว้กับการได้ประกอบการงานที่ไม่มีโทษ การประกอบการงานที่ไม่มีโทษใช่ไหมนั้นเขาเรียกสุขของคารวาสเนี่ยมีอะไรสุขเกิดแต่การมีทรัพย์สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภคสุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้สุขเจะเกิดแต่การมีทรัพย์เมื่อมีทรัพย์มีความสุขนั่นเป็นสุขแบบโลภเดิมไปสุขเกิดการได้จัดจ่ายใช้สอยทรัพย์สุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้ใครนี่มันก็สุขระดับหนึ่งแต่ความสุขที่ทรงขับเน้น ที่พระพุทธเจ้าขับเน้นและควรจะมาใช้ในชีวิตก็คือสุขเกิดแต่การประพฤติที่ไร้โทษกายกรรมที่ไม่มีโทษวัจีกรรมที่ไม่มีโทษมนโนกรรมที่ไม่มีโทษกายกรรมที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกา ร, รมแบบนี้สิเป็นความสุขวัจีกรรมที่ไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเพื่อเจื่ออย่างนี้ถึมีความสุขมนโนกรรมที่ไม่โลภที่ไม่โกรธที่มีปัญญาสรุปก็คือสุขเกิดแต่การได้ปฏิบัติในสุจริตสา สุขที่เกิดจากการได้บำเพ็ญประโยชน์เช่นถ้าทำงานก็คือเป็นอาปัญญานอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นต้นวายาวัจจะก็คือข้อนขวายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในขณะที่ขวนขวายในสิ่งที่เป็นประโยชน์มันการกระทำบุญเนี่ยก็ต้องให้มีความสุขกับการประพฤติไร้โทษที่เป็นไปกับกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตฉะนั้นการได้ทำงานทุกระดับทุกอาชีพทุกสังคมที่เป็นไปกับสัมมาชีพทั้งหลายเนี่ย มันเป็นการเดินกุศลละศีล น, นะเป็นสัมมาอาชีวะจิตเป็นไปกับกุศลแล้วมีความสุขที่ได้มีการพัฒนาศักยภาพชีวิตของตนเองได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถพัฒนาวิธีคิดพัฒนากายกรรมวิจิกรรมวิโดกรรมของนเองเนี่ยให้เข้าถึงความฉลาดแล้วก็ให้เข้าถึงความให้ได้ทักษะคือความสามารถเพิ่มขึ้นและก็มีความสุขจากการที่จิตของตนเองไม่โลภไม่กำหนับ จิตที่ไม่ขัดเคืองและก็ไม่ลุ่มหลงถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ชาพุทธต้องมีความสุขที่เกิดขึ้นจากการประพฤติไร้โทษในในกายในวาจาและใจและได้ประพฤติประโยชน์ได้ขวนขวายในการทำประโยชน์ได้มีความสุขต้องเกิดขึ้นจากการทำงานที่เป็นไปกับการเจริญศีลไปด้วยที่เป็นจารีตนั่นเน่เาเรียกว่าพฤติไร้โทษ อย่าเอาความสุขไปไว้กับผลโดยอ้อมเกี่ยวกับเงินเดือนถ้าอย่างนั้นชีวิตจกเสียหายแล้วมันจะไม่พอไอ้ตัณหาคือความทยานอยากเนี่ยถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มจะสูงส่งยันผู้นำประเทศต่ำต้อยจนถึงผู้ถึงคนขอทา น, นถ้าเอาความโลภเป็นตัวตั้งแล้วก็หิวตลอด มันพร่องอยู่เป็นนิดมันไม่รู้จักอิ่มมันก็เป็นธาตุของความอยากเป็นธาตุของตัณหาเป็นธาตุของการดิ้นรนแล้วทําไมเราต้องให้ความอยากมาบงการชีวิตที่ต้องกระเสือกกระสนกับทุกข์เพราะการแสวงหาพอแสวงหาไปเสร็จพอได้มามันก็ทุกข์เพราะการรักษาอีกพอรักษามันก็เป็นทุกข์อีกในยามที่มันต้องแปลไปก็ทุกข์เพราะมันแปลไปมันเปลี่ยนไปมันไม่คงทน เห็นไหมการให้ตัณหาเป็นตัวนำชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้ความสุขได้แต่ความทยานอยากได้แต่ความเร่าร้อนได้แต่ความกวลกวายได้แต่ความกำหนัดขัดเคืองแล้วก็รุ่มหลงฉะนั้นผู้ทำงานทุกระดับทั้งหลายเนี่ยต้องรู้จักการกระทาที่ประพฤติไร้โทษซึ่งมีความสุขแล้วก็เข้าถึงความจริงของชีวิตได้ด้วย